ธรรมดาจิตมันจะปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปปรุงแต่งจิตนักปฏิบัติส่วนมากลนะที่ทำให้เนิ่นช้าภาวนาแล้วมันไม่เกิดมรรคผลสักทีนี่เขาชอบเข้าไปปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตเาคิดถึงเรื่องปฏิบัติก็เรื่องเข้าไปปรุงแต่งไปบังคับกายบังคับใจส่วน แต่ถ้าเราปล่อยให้กายให้ใจให้ขันห้าเขาทํางานของเขาเราตามรู้ตามดูไปอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาพอใจเราไม่ปรุงแต่งนะใจมันไม่ดิ้นใจไม่ดินด้นใจก็มีความสงบสุขนะเห็นขันมันปรุงแต่งไปแหละใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีความสงบสุขอยู่อย่านี้ปัญญามันจะเกิด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 พอรู้มากเข้ามากเข้าเห็นไม่ใช่เราเนี่ยละความเห็นผิดได้ได้โสดารู้ต่อไปรู้กาย ร, รู้ใจต่อไปจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจก็หมดทุกข์นั่นเองใจที่มันสลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจทิ้งไปนะใจมันจะพ้นทุกข์จะไม่มีภาระอะไรที่ต้องแบกหามให้ลำบากยากเยยนอีกต่อไปในการปฏิบัตินี่ต้องรู้กาย ร, รู้ใจรู้แล้วต้องรู้อย่างเป็นกลางนะ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 เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวทื่อเดี๋ยวซนเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ ร, มร้ายเราค่อยไปนั่งจ้องตาไม่กระพลิบนะมันเครียดนะมันเครียดเด็กนะั้นมันเครียดมันก็ทื่อๆไม่ยอมกระดุกระดิกนะรอให้เราเผลอเมื่อไหร่มันจะเล่นงานมันจะซนกว่าเก่าจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนเด็กเราอยากรู้พฤติกรรมของเด็กเราก็ต้องตามดูอยู่สบายๆอย่าไปจ้องใส่มากเดี๋ยวเด็กเกง็ง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 ต้องตามดูแล้วคำว่ากายานุปัสสนาแปลการตามเห็นกายการตามเห็นกายอนุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นเวทนาเราก็ต้องตามเห็นเวทนา เ, นเรียกเวทนานุปัสสนาจิตเราก็ตามเห็นจิตเรียกว่าจิ ต, ตานุปัสสนานี่หน้าที่ของสติคือหน้าที่ตามเห็นไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวสติก็ตามรู้ไปจิตใจเคลื่อนไหวสติก็ตามรู้ไป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 นสภาวธรรมมีมากมายนะในอภิธรรมต้องเรียนสภาวธรรม72็บตัว72ตัวแต่ถ้ากระจายอย่างละเอียดมีร้อยห้าิตัวเราเรียนทั้งหมดก็ไม่ไหวถ้าเรียนไม่ไหวเรียนคู่เดียวก็พอเลือกคู่ที่เกิดบ่อยที่สดุดเลือกสภาวธรรมที่เกิดบ่อยที่สดุดสักหนึ่งคู่เล่เามาดูนี่เป็นการเรียนแบบสุ่มตัวอย่าง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 กุศลมีน้อยอกุศลจำแนกได้สามอย่างนะโลภโกรธหลงความโลภความโกรธมีน้อยนะความหลงมีมากเพราะทุกครั้งที่จะโลภจะโกรธจะต้องมีความหลงประกอบด้วยเสมอนในขณะที่โลภในขณะที่โกรธเนี่ยต้องมีความหลงแต่เวลาที่ความหลงเกิดนี่เกิดเดี่ยวๆได้ความหลงเป็นสภาวะาที่เกิดบ่อยที่สุดนเราก็ควรจะมาเรียนเรื่องความหลงให้มาก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 งั้นถ้าพวกเราหัดรู้สภาวะอะไรไม่ได้มากมายตั้ง7จดบสชนิดหรือร้อยห้าสิบชนิดนะหัดรู้จักหลงคิดไว้อันเดียวก็พอละเพหลงคิดเป็นสภาวะเกิดทั้งวันอย่างหมอังสรรเรียนมาสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็เน้นเรื่องหลงคิดหลวงพ่อคําเขียนได้เรียกลักคิดครูอบาาจารย์คู่นี้เก่งนะเก่งไม่ได้สายวัดป่าแต่เก่ง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 งันทันทีที่เรารู้ว่าใจหนีไปคิดแป๊บเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อสอนเรื่องจิตหนีไปคิดกับจิตที่รู้สึกตัวถามว่ามีคําผีอะไรรองรับไหมจริงก็อยู่ในจิตตานุปัสสนานะั่นเองจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะในจิตตานุปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนจิตเอาไว้แปดคูไ่ไม่ได้สอนจิตทั้งหมดนะแต่สอนจิตเป็นคู่คู่เอาไว้แปดคู่ สคู่แรกนี่เป็นจิตทั่วๆไปสําหรับคนทั่วๆไปอีกสี่คู่หลังเป็นจิตสําหรับคนทําฌานพวกเราในห้องนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ทําฌานเรียนจิตสี่คู่แรกจิตมีราคากับจิตไม่มีราคานี่คู่หนึ่งจิตมีโทสะแต่จิตไม่มีโทสะคู่หนึ่งจิตมีโมหะกต่จิตไม่มีโมหะคู่หนึ่งจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดถูนี่คู่หนึ่ง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 เป็นตัวแทนของกุศลจิตที่หลงเป็นตัวแทนของอกุศลแม่เรียนแบบมีการสุ่มตัวอย่างนะถ้าเรารู้ทันก็จะรู้เลยจิตมีสองอันหนึ่งทั้งวันจิตจะมีกี่ดวงก็ตามมี89ดวง121ดวงอะไรก็ตามเถอะแต่ถ้าจำแนกแล้วจาแนกได้สองกลุ่มถ้าจำแนกด้วยโมหะก็มีสองกลุ่มคือจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจำแนกด้วยโลภะก็มีสองกลุ่มจิตมีโลภะกับไม่มีโลภะ จำแนกด้วยโทสะก็มีสองกลุ่มเนะมีโทสะกับไม่มีโทสะนี่เราเรียนจิตที่มีโมหะกับไม่มีโมหะจิตที่ไม่มีโมหะภาษาแขกเรียกว่าอะโมหะอะโมหะนี่เป็นชื่อของอะไรรู้ไหมชื่อของปัญญาก็คือจิตที่หลงจิตที่โง่กับจิตที่มีปัญญาจิตที่ลืมเนื้อลืมตัวกับจิตที่รู้สึกตัวเรียนตัวนี้ สังเกตเรื่อยนั่งฟังก็หนีไปคิดแวบแวบแวบนะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆถามว่ารู้ไปถึงเมื่อไร่รู้ไปเรื่อยๆก็บอกแล้วว่ารู้เรื่อยรู้เนืองเนืองไม่ใช่รู้ถึงเมื่อไหรสติปัฏฐานบอกให้รู้เนืองเนืองก็รู้เนืองเนืองสิไม่ต้องคิดมากนะมัจะดูกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ดูเนืองเนืองรู้ทันเลยใจหนีแวบรู้สึกหนีแวบรู้สึกรู้ไปจารุรวัฒน์ไปเขียนตำรามาเล่มหนึ่งใช่ไหมเรื่องอะไรนะอันนี้ที่ว่าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้อนเนี่ย เขียนมาเล่มหนึ่งเลยอะไรนะเออลูกศิษย์มาตอบไม่ได้แล้วหลวงพ่อจะตอบได้ไงนะมีแต่เผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้ทั้งเรื่องนะเนี่ยเขียนทั้งเล่มหนึ่งนะมีแต่เผลอก็รู้ลองไปหัดอ่านน ะ, ะดูเอาถ้าเรียนแค่นี้ได้ก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดได้ถ้าจิตเผลอไปเนี่ยเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นตัวแทนของกุศล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 จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาคั่นแล้วจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาคั่นเราจะเริ่มเห็นว่าสันตติคือความสืบเนื่องเนี้ยขาดลงเนี่ยจิตขึ้นวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่นั่งภาวนาเคลิ้หมดสติไปบอกบรรลุมรรคผลนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะเลวไหลเลยเวลาบรรลุมรรคผลมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิต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 ว่าสิ่งที่ปลูกแต่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ใจเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นธรรมะใจที่เป็นกลางมันไม่มีความอยากแล้วนะคือเป็นกลางมันก็ไปเห็นธรรมะที่ไม่อยากธรรมะที่ไม่อยากเรียกว่าวิราคะธรรมะที่มันไม่ดิ้นไม่ดิ้นรนเรียกว่าวิสังขาร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 เข้าถึงวีมุดแปดโมงพอดีไม่มีเวลาให้พอฟังธรรมะสำคัญกว่านะพอเพลินเลยนั้นเชิญไปทานข้าวเลยไปเชิญไปเลย